ก็กราบบูชาพระรตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์แต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรุบรายอย่งพระอาจารย์ไพศาลพระอาจารย์ยุกิพระอาจารย์สุรินอาจารย์ออสพันเตเพื่อนสาธมิกเจริญพรยังไม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกท่านอะก็นั่งกันตามปกติเนาะ <c oughs> วันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์ที่5กันยายนนะพุทธศักราช2559ถ้าย้อนหลังไปสัก105ปีนะที่หมู่บ้านบุโ h มอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะก็ได้มีบุรุษผู้หนึ่งนะถือกำเนิดขึ้น นะซึ่งในภายหลังเราก็รู้จักกันในนามของหลวงพ่อเทียนนะวันนี้ตรงกับวันเกิดของท่านเลยนะโดยบังเอิญนนะาตมาก็ได้มีโอกาสมาพูดนะก็อยากจะย้อนลำลึกนะนึกถึงหลวงพ่อเทียนเรียกว่าเป็นหนึ่งรยห้าปีชาติการหลวงพ่อเทียนก็ได้นะวันนี้ อจากการที่หลายท่านนะก็คงจะได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้อ่านนะเกี่ยวกับประวัติของหลวงพ่อเทียนนะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะตามประวัติโดยย่อนะท่านก็ได้ถือกำเนิดขึ้นนะในวันที่5กันยายนนะพุทธศก 54, นะักราช 2,454 นถ้านับถึงวันนี้ก็คือ105ปี ครอบครัวเดิมของท่านก็เป็นชาวนานะแล้วก็ท่านก็มีวิถีชีวิตนะเหมือนกับคนในชนบทโดยทั่วไปนะไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าอยู่ห่างไกลจากความเจริญนะก็อาศัยเรียนรูนะ้จากหลวงหน้าของท่านนะซึ่งเป็นพระนะอยู่ที่ในหมู่บ้านนั่นเองนะท่านได้มีโอกาส บวชเป็นเนรเมื่ออายุสิบีปีแล้วก็ได้เรียนหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาบ้างได้เรียนตัวธรรมจากหลวงหน้าของท่าน น, นอกจากนั้นก็ได้เรียนเรียกว่าสมัยก่อนก็ต้องมีมนมีคาถ า, าไว้ป้องกันตัว นะซึ่งก็เป็นความเชื่อความศรัทธาของคนในยุคนั้นนะท่านก็ได้เรียนรู้นะวิชาเหล่านีนะ้เพื่อว่าจะได้เอามาปกป้องตัวเองนะและก็ปกป้องครอบครัวนะท่านก็บวชเป็นเนรอยู่ระยะหนึ่งนะตอนหลังก็ออกไปช่วยที่บ้านนะทำประกอบสมาชีต่างๆนะจนอายุประมาณ20ปีนะก็ได้มีโอกาสบวช เป็นพระนะซึ่งในช่วงที่บวชเป็นพระเนี่ยก็ได้มาเรียนรู้ต่อนะกับหลวงนาของท่านนะซึ่งส่วนใหญ่สิ่งที่ท่านได้เรียนรูนะ้ก็มีทั้งเรื่องของกรรมฐานเรื่องของเวทมนต์คาถาอะไรต่างๆนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านได้เล่าให้ฟังนะทีนี้อยู่ในช่วงเป็นพระก็อยู่ประมาณสักไม่ไม่นานเท่าไหร่นะก็ออกไป มีครอบครัวนะแต่งงานนะกับลูกพี่ลูกน้องท่านนะแล้วก็มีบุตรด้วยกันสามคนนะเป็นผู้ชายทั้งหมดนะคนคนโตนีชื่อในเนียนคนที่สองชื่อในเทียนและคนที่สามก็ชื่อในเตียมในเนียนนี่มาเสียชีวิตไปเมื่ออายุสัก5าขวบนะก็เหลือในเทียนเป็นบุตรคนโต ที่เราเรียกกันหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนเพราะว่าเป็นธรรมเนียมของคนแต่ก่อนเขาจะไม่ไม่เรียกชื่อโดยตรงชื่อจริงๆของงั้นชื่อพันนามสกุลอินทร์ผิวแต่เขาจะเรียกกันพ่อเทียนพ่อเทียนชีวิตของท่านเนี่ยก็เรียกว่าประกอบสัมมาทิปตอนแรกก็ทำไร่ทานาตอนหลังก็มาค้าขายแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่ท่านไม่ทิ้งนะก็คือการาที่มาสนใจนะในการทำบุญนะการรักษาศีลนะช่วงวันพระนะท่านก็จะมาเข้าวัดนะถือศีลนุโบโสดนะแล้วก็ยังสนใจนะในการฝึกกรรมฐานวิปัสสนาต่อเนื่องเรื่อยมาเรียกว่าเป็นคนมีจิตใจใฝ่ ในเรื่องนี้นะํามาตั้งแต่ตั้งแต่เล็กนะจนโตนะแม้ว่าจะมีอาชีพนะมีครอบครัวแล้วนะท่านก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องนีนะ้ก็ได้เรียนรู้นะกรรมาฐานหลายวิธีนะวิธียุบหนอพองหนอสัมมาอหังหังอาณาปณสตนะิเรียกว่าในยุคนั้นเนี่ยมีอะไรนะท่านก็เรียนรู้เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ เป็นสิ่งสะท้อนว่าการศึกษามันไม่จำเป็นว่าจะต้องไปเรียนในโรงเรียนอย่างเดียวแต่ก่อนวัดเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งการศึกษาแม้ว่าท่านจะไม่รู้หนังสืออย่างที่คนทั่วไปรู้แต่ท่านก็มีความรู้ที่ได้ถ่ายทอดจากหลวงหน้าของท่า น, นแล้วก็จากการสนทนาพูดคุยกับพร ะ, ะที่ท่านได้มีโอกาสพบปะ นะท่านก็แสวงหามาเรื่อยๆนะจนเรียกว่าทำบุญเนี่ยเป็นเป็นเป็นคนที่ชอบทำบุญมากนะเรียกว่าทอดกระถินนี่ท่านเป็นผู้นําเลยนะประกอบกับท่านทําบาค้าขายนะ ล, ล่องเรือนะไปค้าขายกับเมืองลาวนะก็ทําให้ฐานะเศรษฐกิจของท่านดีขึ้นนะเรียกว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเศรษฐีคนหนึ่ง นะสมัยนั้นก็เรียกว่าเป็นข้าบดีเรียกว่ามีฐานะดีทีเดียวนะในในบ้านบุโคมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยในเวลานั้นนะเขาเรียกกันเรียกว่าพ่อพ่อห้อยเทียนพ่อห้อยไม่ถึงว่าในายห้อยเทียนอะไรเงี้ยนะก็คือเป็นคนที่มีฐานะนะแล้วก็มีชอบทําบุญสุนทานนะครั้งหนึ่งในช่วงหนึ่งของท่านท่านก็ เป็นผู้นำหมู่บ้านเลยนะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะแล้วก็มีการทอดกระถินทุกปีนะวัดไหนที่รู้จักนะก็ท่านก็ไปทอดหมดนะโดยเฉพาะที่วัดบันพศคีรีนะที่บ้านของท่านเนี่ยนะการทอดกระถินแตละครั้งก็ได้มีส่วนในการสร้างนะสิ่งต่างๆขึ้นมาในวัดนั้นนะเรียกว่า ท่านลงทุนด้วยเงินทุนของท่านเองแล้วคนอื่ก็มาสมทบบ้างเล็กๆน้อยๆอย น, นี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินได้ฟังที น, นี้จุดใหญ่ใจความก็คือเมื่อตอนที่ท่านอายุประมาณ40เริเศษในการทอดกระถินครั้งหนึ่งท่านก็จะไปทอดที่เมืองลาวามีกระถิน5กองท่านก็ได้มอบหมายให้แม่เทียน ภรนะรยาของท่านเนี่ยจริงๆแม่เทียนชื่อจริงก็ชื่อหอมแต่เขาก็เรียกตามชื่อของลูก น, นะแม่เทียนให้แม่เทียนเนี่ยรับผิดชอบนะเรื่องการใช้จ่ายนะการจ้างหมอลำการจะจ่ายอะไรก็จัดการไปส่วนท่านจะถืออุโบสถ์ศรลนุนะ่งขาวห่มขา ว, ขาวต้อนรับแขกที่ไปมาทนะีนี้ในเช้าในวันงานนั่นแหละ หมอลำาก็ได้แสดงไปเรียบร้อยแล้วนะก็มาถามหลวงพ่อเทียนนะในขณะตอนนั้นก็คือพ่อเทียนนั่นเองนะว่าจะให้ค่าหมอลำเท่าไหร่นะตอนนั้นพ่อเทียนก็รู้สึกว่าอืมไม่ใช่มืออาชีพเลยนะแม่เทียนเนี่ยทำไมจะต้องมาถามอีกนะมอบหมายให้ไปแล้วจะให้เท่าไหร่ก็ให้ไปนะเรียกว่ามีมีความโกรธขึ้นมาในขนาดนั้นแต่ก็ไม่แสดงออกมาในทางสีหน้า นะเรียกว่าก็เก็บไว้ในใจทนะีนี้พอเอากระถินไปทอดที่เมืองลาวเสร็จนะกลับมาตอนเย็นนะก็มากินข้าวกันนะหลังจากที่เอาลูกเข้านอนแล้วนะแม่เทียนก็สังเกตว่าวันนี้พ่อเทียนแปลกไปปกติต้องพูดต้องคุยแต่วันนี้เงียบนะแล้วก็หน้าตาดูไม่สู้จะมีความสุขนักนะก็เลยถามว่า ท่านโกรธเราใช่ไหมนะหลวงพ่อเทียนก็บอกใช่สินะโกรธเรื่องที่มอบหมายไปแล้วนะก็ไม่ทําตามจะต้องมาถามอีกอะไรอย่างเนี้ยนะแม่เทียนก็เลยพูดออกไปก็ไม่ได้เจตนานะที่จะไปว่าร้ายหรืออะไรก็เพียงแต่บอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าท่านโกรธเนี่ยนะท่านทำบุญกระถินมาวันนี้เนี่ยนะไม่ได้บุญหรื นะตกนรกแน่นอนเรนะเรียกว่าทาบุญทอดกระถิ่นแล้วไม่ได้ลกไม่ได้ไม่ได้บุญนะตกนรกนะคำนี้มันไปเรียกว่าไปสะดุดใจหลวงพ่าเทียนขนาดนั้นว่าเออจริงเนาะเขาพูดจริงเนาะไอเราเนี่ยนทะทำบุญแทนที่จะได้บุญได้ความสุขนะยังมาโกรธเขาอยู่นะเรียกว่าทาบุญก็ตกนรกจริงๆนะตรงนั้นเราเป็นจุดเริ่มต้นนะ ที่ท่านบอกว่าอจะต้องเอาชนะความโกรธนี้ให้ได้นะจริงๆท่านก็เป็นคนไฝ่ในการศึกษาในการปฏิบัติมาพอสมควรนะท่านก็มาคิดว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยนะมันก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะตัวความโกรธนี้ได้ทำบุญมาก็มากรักษาศีลมาก็เยอะนะไปฝึกกรรมาฐานที่ไหนที่ไหนก็ก็ทมามากมาย นะแต่ว่าเอาชนะความโกรดนี้ไม่ไดนะ้ท่านก็เก็บไว้ในใจเรื่องนี้ในขณะนั้นเนี่ยฐานะของท่านก็เรียกว่าดีพอสมควรนะมีเงินมีทองนะแล้วก็ <c oughs> คิดเอาไว้นะว่าเออจะค่อยๆวางมือนะในการทำมาค้าขายนะแล้วก็คิดว่าเงินทองที่มีเนี่ยก็เพียงพอนะสำหรับแม่เทียนแล้วก็ลูกๆนะท่านก็ค่อยๆ วางมือนะแล้วก็ลดจำนวนของการค้าขายลงนะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปนะีท่านก็ตั้งใจว่าเอาละนะชีวิตในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะท่านจะไปศึกษาไปปฏิบัติเอาให้มันจริงๆนะเอาชนะความโกรธนะอันนี้ให้ได้นะ <c oughs> หลังจากที่ท่านวางมือการค้าขายแล้วนะก็มอบหมายให้กับลูกชาย นาะยเทียนนะซึ่งเป็นคนโตนะตัวท่านก็ให้แม่เทียนเตรียมนะกระเป๋าเตรียมข้าวของนะที่จะไปปฏิบัติแต่ไม่บอกนะว่าจะไปที่ไหนนะแม่เทียนก็ถามว่าจะไปไหนแล้วจะกลับมาเมื่อไหร่นะท่านบอกไม่รู้ในใจท่านก็คิดเอาไว้นะว่าถ้าไม่เอาชนะความโกรธไม่ได้จะไม่กลับมาโอ้ท่านใจเด็ดขนาดนั้นนะ ในใจท่านนะทีนี้ <c oughs> หลังจากที่ไดเ้เก็บของเรียบร้อยนะก็ได้ล่ำลาแม่เทียนแล้วก็ลูกๆนะก็ไปปฏิบัตินะที่วัดลังศีมุกดาที่อำเภอศรีเชียงใหมนะ่จังหวัดนนทบุยนะซึ่งท่านรู้จักกับพระหมหาสีจันทรนะ์พระหมหาศรีจันทร์นี้เป็นพระที่เป็นพระปฏิบัติ มาจากเมืองลาวซึ่งท่านได้มีโอกาสสนทนาธรรมแนะเมื่อครั้งที่มาที่จังหวัดหนองคายนะท่านเล่าให้ฟังว่ามีครั้งหนึ่งนะท่านมาสนทนาธรรมกับมาศีจันเนะี่ยเรียกว่าสนทนากันตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึง6กโมงเช้านะเรียกว่าคุยกันทั้งคืนเลยนะนะมาศีจันก็บอกว่า <c oughs> พระเทียนนะคุยกันเนี่ยนะนะมันก็ ได้เพียงแต่เข้าใจรู้กันได้จำแต่มันไม่ได้เกิดผลหลักมันจะต้องปฏิบัตินะตรงนั้นน่ะสิ่งนั้นน่ะท่านก็เก็บไว้ตั้งนานแล้วนะถึงเวลาวันนีนะ้ท่านก็ว่าเอาละนะฐานะทางบ้านก็พอสมควรใช้ได้นะไม่เป็นภาระอะไรนะท่านก็คิดว่าจะไปศึกษาปฏิบัติกับพระหมหาสรีจันทรนะ์ที่วัดรังสีมุกดา นะที่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายซึ่งท่านก็ไปก่อนที่จะเข้าพรรษาเนาะในประมาณปี2500นะเรียกว่าเป็นช่วงตึงพุทธกาลพอดนะีในช่วงนั้นเนี่ยนะพอดีพระมหาสีจันทร์เนี่ยท่านก็ไม่อยู่นะท่านไปจำพรรษาที่เมืองลาวนะพ่อเทียนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็มีหลวงพ่อวันทองนะเป็นผู้ดูแลนะที่วัดนั้น นะท่านก็ไปเข้าไปขอกรรมฐานนะกับหลวงพ่อวันทองนะแล้วก็มีพระมหาปานนะมาจากเมืองลาวก็เป็นผู้สอบอารมณ์ในการฝึกกรรมฐานทีนี้กรรมฐานที่ท่านฝึกในตอนนั้นเนี่ยนะก็ใช้วิธีการที่เขาเรียกว่าติงนะิ่งก็คือการเคลื่อนไหวนะแต่ว่าการเคลื่อนไหวที่ท่านได้เรียนรู้เนี่ยนะมันจะต่างจากที่เราฝึกกันที่นี่ นะก็คือว่ามีคำบริกรรมด้วยนะเวลาเคลื่อนก็ติงนะเวลานิ่งก็นิ่งนะเรียกว่ามีเคลื่อนมีหยุดมีคำบริกรรมแล้วก็ทำช้าๆนะแล้วก็มีคำบริกรรมอีอันนั้นคือคำว่าตายนะท่านก็เอาไปทาดนะูในตอนนั้นท่านก็เป็นเรียกว่าเป็นโยมนะไปปฏิบัติทีนี้ในช่วงแรกที่ท่านไปปฏิบัติเนะี่ย ก็เรียกว่ามันยังยังยังยังติดที่จะนอนนะเรียกว่ายัางติดสบายอยู่นะมีอยู่ช่วงแรกๆเนี่ยนะมันก็มีการถกเถียงกันว่าเออจะมานอนหรือจะมาปฏิบัตินะเออนะมันเถียงกันมันมีคนสองคนนันเล่าให้ฟังนะไอคนหนึ่งอ่ะพอนอนลงไปอ่ะมันบอกอ่ะมา น, นอนหรือจะมาปฏิบัติพอลุกจะมาปฏิบัติมันก็ง่วงนอนนะมันก็คงจะ คล้ายๆกับพวกเราอะนะปฏิบัติใหม่ๆมันก็ง่วงนอนเหมือนกันนะนะเออบางทีก็สู้กับมันไม่ได้นะสุดท้ายก็บอกอ้าคืนนี้นอนกันแล้วกันนะพรุ่งนี้เช้าตื่นมาค่อยค่อยฝึกปฏิบัตินะท่านก็อ้านอนหลับไปนะตื่นเช้ามาก็เอ่อปฏิบัตินะวิธีติงนิ่งนะแล้วก็มีการบริกรรมนะทีนี้ การฝึกของท่านเนี่ยท่านใช้เวลาไม่นานนะภายในสองวันเนี่ยท่านเข้าใจระบบของพุทธศาสนาทั้งหมดเลยซึ่งเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากาซึ่งท่านก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้นาตามที่ท่านเล่าให้ฟังเนี่ยนในช่วงแรกของการที่ปฏิบัติเนี่ยการที่มีคำบริกรรมก็ดี การที่ให้มันสงบก็ดีท่านก็บอกเอ๊ะมันก็เหมือนกับสิ่งที่เราได้เคยเรียนมานะจะเป็นคำบริกรรมพุทธโทสัมมาลหลังยุบหนอพองหนออันนี้ก็ตายนะท่านก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เหมือนเดิมนะท่านก็ทิ้งคำบริกรรมเลยนะแล้วก็มารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวจุดแรกนะที่ทําให้เริ่มนะรู้รู้จักนะความรู้สึกตัวก็คือขณะที่ ในเย็นวันหนึ่งนะในค่ำวันหนึ่งท่านนั่งอยู่นะเรียวันนั่งนั่งสร้างจังหวะนี่แหลนะนั่งแล้วก็ปรากฏว่ามันมีแมงป่องนะตกมาที่ขาท่านในขณะที่แมงป่องมันตกมาเป็นแมงป่องแม่ลูกอ่อนนะพอตกลงมาเนี่ยก็ลูกมันก็วิ่งออกมาจากท้องแม่มันนะก็มาโดนที่ขาท่านแต่ท่านก็ไม่ตกใจนะ ท่านก็ดูเฮ้ยเออแมงป่องเนะนะท่านก็พิจารณาเห็นเฮ้แมงป่องนี่มันก็เป็นรูปเนาะขาเราก็เป็นรูปรูปกับรูปมันก็ไม่ได้ทำอะไรกันนะเสร็จแล้วท่านก็เอาเอ า, เอาไมนะ้เอาไม้มาให้แมงป่องมันมันไตนะ่แล้วก็เอาไปไ ป, ปล่อยนะไปวางไว้ที่คันนา ตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านท่านบอกว่าตรงนั้นนะ่นะท่านเริ่มรู้จักนะสิ่งที่เราเรียกว่ารูปนามนะเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกับว่าแต่ก่อนเนี่ยใจเนี่ยมามันจะไปคิดเรื่องราวต่างๆนาะนะไปอยู่ที่คำบริกรรมบ้างไปอยู่วิธีการนู้นวิธีการนี้บ้างนะที่ท่านได้ฝึกมาแต่ตรงนี้เนี่ยมันกลับมารู้เนื้อรู้ตัวนะเป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านสังเกตว่าเออ ไอ้นี่มันมันมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจน่ะน่าศึกษาซึ่งตรงเนี้ยน่ะเป็นความรู้สึกตัวที่ตื่นขึ้นมานะซึ่งตรงเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นนะหลังจากนั้นนะท่านก็พยายามที่จะมีการเดินจงกรมนะมีการสร้างจังหวะนะทีนี้มีอยู่ในเย็นวันถัดมาเนี่ยนะ ในตอนค่ำของวันถัดมาขณะที่ท่านเดินจงกรมเนี่ยนะท่านก็รู้สึกเหมือนมีใครมาผลักข้างหลังก็สงสัยว่าเอ๊ะมันอะไรนะมันอะไรใครมาผลักเอ๊ะดูไปข้างหลังมันก็ไม่เห็นมีใครครั้งที่หนึ่งนะเดินไปเดินอ้าวครั้งที่สองมาผลักอีกละเอออะไรเนี่ยนะพอครั้งที่สามนัท่า น, นเห็นโอ้ความคิดนี่เนาะความคิดมันมามันเกิดขึ้นนะความรู้สึกตัวของท่านมันตื่น นะมันเห็นเลยเหมือนเหมือนกำ ม, มีคนมาผลักนะท่านก็บอกอ๋อไอ้ตัวนี้เองนะเป็นต้นเหตุนะท่านก็เลยสังเกตนะสังเกตดนะูเรียกว่าดูความคิดที่มันเกิดขึ้นนะเห็นแล้วเห็นอีกนะดูความคิดนะตอนแรกดูที่กายนะที่มันเคลื่อนมันไหวนะพอจากความรู้สึกตัวที่กายเนะี่ยมันก็ไปเห็นความคิดนะท่านก็ดูความคิดเนี่ย นะเรียกว่าจากจุดนี้นี่เองนะมันก็ได้เข้าไปเห็นนะสิ่งที่เกิดขึ้นภายในกายภายในใจของท่านนะซึ่งตรงนี้ท่านใช้เวลาอยู่ไม่นานนะประมาณวันเดียวนะรวมกับตะกี้นี้อีกวันหนึ่งนะภายในสองวันเนี่ยนะท่านก็บอกว่าท่านสามารถที่จะรู้ทันความคิดนะปล่อยวางความคิดนะรวมถึง อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตในใจได้นะท่านก็โอ้น่รู้สึกตัวมันเบาใจมันเบาขึ้นน้ําหนักร้อยกิโลเนี่ยท่านบอกมันหลุดไปเลยนะหกสิบกิโลเนีเหลือสักสี่กิโลนะตรงนี้ก็ทําให้ท่านเห็นแล้วว่าอ๋เนี่ยทางที่เราจะแก้ทุกทางที่จะออกจากทุกเนี่ยเอามันอยู่ตรงนี้นี่เองนะมันอยู่ตรงที่เรารู้จักออกจาก ความคิดจากอารมณ์นะโดยอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวนี้เองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยท่านได้รู้ขณะที่เป็นโยมนะไม่ได้เป็นพระนะในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะที่ท่านได้รู้แลนะทีนี้ <c oughs> มันก็มีเรียกว่าการสอบอารมณ์นะพระหมหาปานเนี่ยนะก็ มีการสอบอารมณ์ในแต่ละวันนะ่งตรงนี้ก็น่าสนใจนะในช่วงนั้นเนี่ยมีคนไป อ, อ, อยู่จำบัรษาด้วยกันเนี่ยมีพระ23รูปมีโยม5หคนนะเป็นผู้หญิง3คนผู้ชายสองคนนะหลังจากได้สอบอารมณ์คนอื่นๆไปหมดแล้วนะก็ได้สอบอารมณ์พระเทียนนะเาเรียกว่า เอ่อพอออกเชียงขา น, นพระมหาปานเนี่ยอ้าพอออกเฉียงการเป็นยังไงบ้างนะปฏิบัติเป็นยังไงบ้างท่านก็บอกก็ไม่เป็นอะไรรู้อะไรบ้างหลวงพ่ะเีดนก็บอกว่ารู้ตัวเองอมหาปานก็บอกอ้าวถ้าไม่รู้ตัวเองก็ตายะทีใช่นะหลวงหลวงพระเจดก็บอกใช่ผมตายผมตายไปแล้วตายไปจากคนเดิมแล้วนะตายไปจากความไม่รู้แล้วนะ ท่านอาจหารมากสามารถที่จะพูดได้นะพระมหาปานก็นิ่งไปสักพักหนึ่งนะก็สอบอารมณ์ต่อไปอีกนะก็ถามว่าเกลือมันเค็มไหมพระเทียนก็บอกเกลือมันไม่เค็มอา้าวทำไมว่าไม่เค็มเกลือมันไม่ได้อยู่ในปากอะ่ะตอนเนี้ยนะเกลือมันอยู่ในนู่นอะ่ะอยู่ที่ครัวนะั่นหละนะมันจะเค็มได้ยังไงเออนะมหาปานก็ นิ่งไปสักพักหนึ่งอาถามใหม่อีกพริ ก, กมันเผ็ดไหมพอเชียงคานนะพอออกเชียงคารไม่เผ็ดนะมันไม่ได้อยู่ที่ปากผมนะเอออันเนี้ยมันอยู่ที่ครัวนุ่นนะเรียกว่าอันเนี้ยเป็นเป็นการสอบอารมณ์แล้วท่านก็แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันนะเรียกว่ามีสติมีความรู้สึกตัวอยู่ที่ปัจจุบันนะอันเนี้ยเป็นเป็นเป็นปัญหาที่ ครูบาอาจารย์สอบอารมณ์นะสุดท้ายเนี่ยนะท่านก็มาถามว่านะอนาพ่อเทียนพ่อพ่อออกเชียงคานนะถ้ามีเสือตัวหนึ่งนะมันโดนคนยิงนะมันอยู่เนี่ยหมู่บ้านนู้นนะแล้วพอ่อพ่อออกก็อยู่บ้านนู้นถ้าอาตมาจะให้พ่อออกมาที่นี่นะพ่อออกจะมาไหมนะ เพราะที่งก็บอกมาสิก็ครูบาอาจารย์บอกก็ต้องมาอ่ะแล้วไม่กลัวเสือมันกัดเหรอเอ๊ผมไม่เห็นเสือนะผมจะไปกลัวมันได้ยังไงนะบางทีผมเห็นผมก็าจะหลบหลีกมันก็ได้นะเรียกว่านี่ก็เป็นการตอบปัญหานะเป็นการแสดงถึงอารมณ์ปัจจุบันนะมีสติอยู่กับปัจจุบันนะพระหมหาปานก็บอกว่าโอ้เนี่ยในพันคนเนี่ยนะจะมีอย่างนี้สักคนหนึ่งนะ ที่จะตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาแบบนี้ก็อนุโมทนากับพระอกคตรงนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ท่านได้แสดงถึงญาณปัญญาที่ได้จากการปฏิบัติท่านก็อยู่ที่วัดนั้นต่อเนื่องในช่วงเข้าพรรษาตลอดสามเดือนจนออกพรรษาแล้วท่านถึงจะกลับไปบ้าน นะตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะคนแรกที่ท่านนําไปความรู้นี้ไปถ่ายทอดก็คือภรรยาของท่านนะเรียกว่าช่วงนั้นภรรยาก็ไม่สบายนะตั้งแต่ท่านออกไปจากบ้านสามเดือนเนี่ยภรรยาก็รู้สึกเป็นห่วงคิดถึงนะน้องชายก็มาถามว่าพ่อเทียนไปไหนภรรยากบ็บอกไม่รู้ไปไหนนะถึงกับโกรธนะโกรธภรรยาของท่านว่าเนี่ยคิดจะหวัง ครอบคลองมรดกใช่ไหมนะแล้วก็ถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยเลยอันะนี้ก็เป็นเรื่องราวของหลวงพ่อเทียนนะซึ่งหลายท่านนะก็คงได้ยินได้ฟังได้อ่านนะวันนี้นะเป็นวันครบรอบหนึ่งห้าปีนะชาติการของหลวงพ่อเทียนนะก็เลยนําเรื่องของท่านมาเล่าสู่กันฟังนะซึ่งมันหมดเวลาพอดีนะเอาไว้ คราวหน้านะถ้ามีโอกาสมีจังหวะนะก็จะได้นำมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งนะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชนนะ์สำหรับคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังนะหรือคนที่ได้ฟังแล้วนะก็ได้ <c oughs> น้อมระลึกนึกถึงนะเป็นอาจารยบูชานำสิ่งที่ท่านได้พูดได้สอนนะมาประพฤติปฏิบตัติต่อไปนะ อะไในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตนตรัยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระธรรมคือเสชาธรรมความจริงที่แสดงปรากฏนะพระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัตนะิด้วยความศรัทธานะด้วยความเพียรมีสติสมาธิและปัญญาก็หนุนนําให้ทุกท่าน